จเจริญพรทุกท่านจริงๆแล้ว ก, การปฏิบัตธิธรรมมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเราไปวาดภาพเอาเองว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เรื่องมากไปเองการปฏิบัติจริงๆไม่มีอะไรหรอกขั้นแรกเลยค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาให้เป็นนะคอรู้สึกตัวเป็นแล้วก็คอยดูการทํางานของกายของใจไป เมื่อเราเห็นการทำงานของใจของกาของใจมากๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เป็นของบังคับไม่ได้เมื่อถ้าเห็นได้อย่างนั้นนะต่อไปใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายและจิตใจนี้เมื่อเราไม่ยึดถือในร่างกายในจิตใจนี้แล้วเนี่ย ต่อไปเวลามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรานะความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจอย่างร่างกายมันจะแก่นะมันเป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ได้ยึดร่างกายร่างกายแก่ก็ส่วนของร่างกายใจไม่ทุกไปด้วยร่างกายจะเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจไม่ได้ยึดร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจไม่ทุกร่างกายจะตายจิตใจก็ไม่ทุก หรือเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้าใจิตใจมันมีปัญญามากมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวการที่เราจะต้องอยู่กับคนที่เรารักที่เราชอบใจนะมันก็อยู่ได้ชั่วคราวถ้าใจมันเห็นความจริงอย่างนี้ใจใเวลาพลัดพรากขึ้นมาใจจะไม่ทุกข์หรือเวลา เราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบบางทีนะต้องทำงานร่วมกับคนที่เราเกลียดเี้ยเราก็มีความทุกข์มากแต่ถ้าเราภาวนาจนเราเห็นความจริงในจิตใจของเรานะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราของชั่วคราวนะการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจจิตใจไม่สบายอะไรนี teasing. เราเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าใจเราเห็นทุกอย่างในชีวิตเราเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนีย เราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่นี่เป็นเรื่องธรรมดาเอแก่เราก็ไม่ทุกข์หรอกมันเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็าแก่กันเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาใจเราก็ไม่ทุกข์เราจะตายจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวญาติมิตรนะทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งชื่อของเราก็นะเสียไปหมด ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายเราก็ไม่ทุกข์เราจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกข์นะเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์ธรรมดาธรรมดานีพูดง่ายแต่กว่าใจจะยอมรับว่าทุกอย่างมันธรรมดานี่ไม่ใช่ง่ายหรอกธรรมะก็เรื่องธรรมดานี่เองถ้าเราหัดรู้นะ อาจรู้ความจริงของกายของใจให้มากถึงวันหนึ่งเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาเรายอมรับทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดางั้นความทุกข์มันจะมาไม่ได้ความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดจากใจเรายอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ได้หรือมันไปหวิวโหยสิ่งซึ่งยังไม่ได้ปรากฏความทุกข์ทางใจมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละมันอยากได้ของที่ยังไม่มี พอได้มาแล้วมันก็อยากให้ของที่มีแล้วอยู่นานๆที่ชอบใจนะอยู่นานๆถ้าไปเจอของไม่ชอบใจก็อยากให้มันหายไปเร็วๆนะในใจเรามันไม่ยอมรับว่าสิ่งทึ่งปรากฏเนี่ยมันมีเหตุนะมันก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็หายไปอย่างเราสแสวงหาเราอยากไดนะ้อยากได้อะไรที่ดีๆในชีวิตเราเยอะๆอยากมีรถหรูหรา อยากมีบ้านหลังใหญ่อยากมีเมียสวยๆสามีรูปหล่ออยากมีลูกฉลาดอะไรย่างนี้นะทุกอย่างมันมีเหตุทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากั้นสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุมันมีเหตุมันถึงจะเกิดถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกแล้วถึงมันเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้าเหตุของมันดับตัวมันก็ต้องดับมันอยู่ไม่ได้หรอกนี่เป็นเรื่องธรรมดานะธรรมดานี้แหละ ที่ทำให้คนธรรมดาอย่างพวกเรานะกลายเป็นพระอรียบุคคลขึ้นมาเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็คนพบความเป็นธรรมดาเนียท่านก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกแล้วความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงอีกต่อไปความทุกข์อยู่ได้แต่ร่างกายเข้ามาไม่ถึงใจแต่กว่าที่เราจะเห็นว่าธรรมดาของชีวิตเป็นยังไงเนี่ยนะต้องภาวนา ต้องปฏิบัติมากเลยต้องเรียนรู้มากถ้าเรายังไม่เห็นความเป็นธรรมดาเนี่ยความอยากมันจะเกิดขึ้นอย่างเราอยากมีเงินเยอะๆเนี่ยมันไม่มีเหตุที่จะมีเงินเยอะๆมันไม่มีเราได้แต่อยากอยากแล้วมันก็ไม่ได้มานะมันเป็นทุกข์อย่นั้นแนหะหรืออยากมีลูกนะฉลาดฉลาดเนี่ยทั้งๆที่ทั้งพ่อทั้งแม่เขาไม่เคยฉลาดเลยนะปู่ยา่าตายายก็ไม่เคยฉลาดเลยอยากมีลูกฉลาดไม่มีเหตุ มันไม่มีเหตุมันก็เป็นไปไม่ได้บางคนอยากมีลูกสวยๆนะอยากให้ลูกเราน่ารักที่สุดเลยไม่ได้ดูตัวพ่อตัวแม่น่าเกลียดจะตายไปบางทีจะอยากให้ลูกน่ารักมันไม่มีเหตุนะพอมันไม่มีเหตุเรางไปอยากให้มันมีอยากให้มันมีอยากอะไรอยากได้รูปสวยๆอยากได้เสียงดีๆอยากได้ยินเรื่องที่ดีอยากได้กลิ่นหอมๆ อยากได้รสที่ดีอยากได้สัมผัสทางกายที่ดีอยากคิดนึกทางใจที่สนุกสนานเราอยากได้อารมณ์ที่ดีนะั่นแหละพูดง่ายๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรนะี่อยากได้ของดีมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่มีบักกรําของเรานะถ้าเรามีบุญกุศลส่งมานะเราก็จะเห็นของสวยของงามได้ยินเสียงที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้รสที่ดีได้สัมผัสที่ดีนะ ถ้าอากุศลให้ผลมานะเราก็เห็นของไม่สวยไม่งามนะไม่ดีไม่สุขไม่สบายอย่างเรานั่งรถไปตามถนนนะบางทีเห็นรถชนกันคนหนึ่งนี่กลัวมากเลยว่าจะเห็นศพเล่เทะอยู่กลางถนนนะเบือนหน้าหนีจากที่เขาชนกันนะปรากฏว่าเขาย้ายศพมาอยู่ฝั่งนี้ละนะอีกคนหนึ่งนะหันไปมองไม่เห็นนะ ทำไมบางคนเห็นของที่ดีบางคนเห็นของที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เพราะวิบากมันไม่เหมือนกันทุกสิ่งที่เราประสบในชีวิตเราเนี่ยยุติธรรมแล้วาการที่เราต้องเป็นอย่างนี้ต้องพบสิ่งเหล่านี้อะไรเนี่ยมันยุติธรรมแล้วมันเป็นธรรมะมันยุติตามธรรมะแล้วคือมันเป็นไปตามเหตุเราสร้างเหตุมาดีเร า, in, เราก็เจอ ER สิ่งที่ดีในชีวิตสร้างเหตุที่เลวมาเราก็เจอ ER สิ่งที่เลวในชีวิตนะ และวพอเราสร้างมาแล้วเราได้เจอสิ่งที่ดีนะอันนี้เราก็ทํากรรมใหม่อีกนะบางคนเกิดมาดีทุกอย่างดีก็มาทํากรรมชั่วนะทําเหตุในปัจจุบันให้เสียหายขึ้นมาบางคนเกิดมายากจนนะกรรมเก่าส่งมาทําให้ยากจนแต่ชาตินี้ขยั่นมันเพียนรู้จักดำรงชีวิตนะก็สร้างกรรมใหม่ที่ดีก็พ้นจากความยากจนได้นี่เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเลยนะเรื่องของการกระทําทั้งหมดเลย นีถ้าเราไม่มีผลนะไม่มีกรรมวิบากกรรมที่ดีเราอยากได้รูปได้เสียงอยากได้กลิ่นได้รสอะไรก็อยากลมๆแน้งแรงไปความอยากมันมี3อย่างนะอย่างอันแรกเนี่ยของที่ยังไม่มีอยากให้มันมีอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอะไรเงี้ยพอได้มาแล้วนะถ้ามันดีจริงก็อยากต่ออยากให้มันอยู่นาน ตรงที่มันยังไม่มีอยากให้มันมีเรียกว่ากามตัณหาตรงที่มันมีมาแล้วอยากให้มันอยู่นานๆนันเรียกว่าภาวะตัณหาตรงที่มันมีขึ้นมาแล้วมันไม่ชอบใจอยากให้มันหายไปเร็วๆเรียกว่าวิภาวะตัณหาตัณหาเนี่ยเกิดจากใจไม่มีความฉลาดพอไม่รู้ว่าสิ่งทง ăn, งั้งหลายเกิดจากเหตุก็ไปอยากให้มันเกิดหรือว네่าเหตุมันยังอยู่ก็อยากให้มันหายไป S <S เหตุมันหมดแล้วก็อยากจะให้มันอยู่ตลอดไปทั้งที่มันอยู่ไม่ได้เนี่เราคอยสังเกตนะถ้าเราสามารถถอนออกความอยากออกจากใจเราได้ความทุกข์จะไม่มีความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจเรามีความทุกข์นะถ้าใจเราพ้นจากความอยากใช่มันจะไม่มีความทุกข์มันจะเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นความอยากในใจทั้ง3อย่างนะไม่มีอยากให้มีมีแล้วอยากให้อยู่ถาวรหรือมีแล้วอยากให้หายไปเร็วๆนี่ เวลามีความอยากสังเกตไหมใจจะไม่มีความสุขอย่างเราอยากได้เงินเดือนสองขั้นทุกคนก็อยากใช่ไหมแล้วมันไม่ไดม้มันอยากแล้วมันไม่ได้มันไม่มีเหตุที่จะได้นะเราก็ไม่สบายใจนะหรือเรามีตำแหน่งแม้ใหญ่โตนะเราก็กลัวคนมาเลื้อยขาเข้าอี้เรานะเราอยากอยู่ในตำแหน่งนี้นานๆอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่ไปไม่มีใครมาเลื้อยขาเข้าอี้เราถึงเวลากเกษียณ นะก็ต้องไปแล้วมันหมดเหตุแล้วนะนะถึงจะอยากนะมันก็ลมลมแรงแรงเองงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามาเห็นความจริงในชีวิตได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะความอยากทั้งหลายแหลมจะหายไปนะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่มีนะีความบีบคั้นทางใจจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นที่ไรความบีบคั้นทางใจเกิดขึ้นทุกทีหรือความทุกข์ทางใจนะี ตามหลังความอยากมาทุกทีนะไม่มีอยากให้มีก็ทุกนะมีแล้วอยากให้มันอยู่ถาวรแต่มันไม่ถาวรอย่างร่างกายเราทรัพย์สมบัติเราเราอยากให้อยู่ถาวรมันไม่อยู่อย่างนี้นะเราก็ทุกนะครอบครัวเราเรารักนะลูกเมียเราเรารักอยากให้อยู่กันตลอดไปอนะไรเนยถ้ามันก็อยู่ไม่ได้อย่างทุกวันนี้นะครอบครัวมนเล็กมีแต่พ่อแม่ลูกนะ ก็พ่อแม่ก็หวังว่าลูกจะอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตไปลูกโตขึ้นมาหน่อยไปเรียนหนังสือที่อื่นละไม่อยู่กับพ่อกับแม่และเนี่ยความอยากจะให้มันอยู่ตลอดไปอยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยนะพอมันไม่ได้ขึ้นมามันทุกข์แล้วลนะ่ะใจมันก็เศร้าหมองกังวลไปหรือบางทีเบื่อหน้าสามีนะเบื่อหน้าเห็นหน้าที่อะไรก็ทุกข์ทุกทีอยากให้มันพน้นพ้นไปแล้วมันไม่พ้นก็ทุกอีก เนี่ยความทุกข์ในใจเราเกิดจากความอยากนั่นแหละความอยากมันเกิดจากความไร้เดียงสาความไม่ฉลาดของใจเราเองไม่เห็นว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งงั้นถ้าเราจะมาเรียนรู้ธรรมดาของกายของใจนะพระพุทธเจ้าสอนวิธีไว้อย่างเบื้องต้นท่านสอนก่อนเลยว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคืออะไรนะ นั่นตัวทุกข์นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็ไกลกับใจเรานี่แหละตัวทุกข์สังเกตไหมทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองนะอะไรทําให้ความทุกข์เข้ามาสู่ใจได้ความทุกข์ทางกายเป็นเรื่องธรรมบัมีร่างกายยังไงก็ทุกข์เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ําเดี๋ยวต้องการขับถ่ายนะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็หนีไม่พ้นะมีร่างกายก็ต้องทุกข์ไปแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยมันพ้นไปได้ ถ้าทำลายความอยากออกไปได้ความอยากจะทำลายได้ด้วยวิธีอะไรนะด้วยวิธีเจริญปัญญานะหัดมาดูความจริงของกายหัดมาดูความจริงของจิตใจการที่เราจะมาดูความจริงของกายของใจได้นะขั้นแรกสุดเลยเราต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจพวกเรารู้จักใจลอยไหมรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักมีไหม ใจลอยสังเกตไหมเวลาที่เราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันใชเรามีจิตใจเราก็ลืมมันอย่างเวลาเราใจลอยยูมากัดเราไม่รู้สึกเลยเห็นไหมมีร่างกายแท้ๆนะแต่ไม่ไม่รู้สึกเลยนะใจของเราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์นะมีความดีหรือมีความชั่วเนี่ยเวลาเราใจลอยไปเราก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้กําลังสบายใจเคยแม้สบายใจแต่เผลอไปนะมีก็มีนะเพราว่าเมื่อไหร่ นะใจลอยเมื่อนั้นก็คือเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเราก็ไม่สามารถจะมเรียนรู้ตัวทุกได้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกนะรู้ตัวกายตัวใจของเราเนี่ยถ้ารู้มากๆมันจะทําลายตัวอยากได้ถ้ารู้ทุกจะละสมุทยัยเคยได้ยินคําว่าอาริยรรสัจ4ี่ไหทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือหัวใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจนี่แหละ สอนอะไรสอนอริยสัตว์นี่แหละธรรมะจะมากมายกายกองเท่าไหร่นะมันก็รวมอยู่ในอริยสัตว์นี่เองนะท่านบอกอริยสัตว์เหมือนรอยเท้าช้างนะสัตว์อื่นๆเท้าตโตแค่ไหนนะก็เล็กกว่าเท้าช้างนะอะไรสัตว์ในกลุ่มธรรมะทั้งหมดเอาไว้อริยสัตว์เริ่มจากทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็คืออะไรร่างกายจิตใจเราเนี้ยตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือให้มาคอยรู้มันนะถ้ารู้ทุกข์ได้แจ่มแจ้งนะเราเห็นความจริงของกายของใจนะ เราจะละความอยากได้ละสมุทัยความอยากความอยากเนี่ยทาให้ความทุกข์เนี่ยเข้ามาสู่ใจเราอย่างร่างกายมันทุกข์เนี่ยใจยังไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้ามีความอยากเนีอยากเจ็บป่วยเนี่ยอยากให้หายป่วยเนี่ยใจเดินทุกข์ขึ้นมาแะ้วความเจ็บป่วยอยู่ที่กายนะความทุกข์มันเข้ามาอยู่ที่ใจงั้นตัวความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้จิตใจเนี่ยไปหยิบจว้ยเอาความทุกข์เข้ามาครอบครองเอาไว้นะ แต่ถ้าท่านสอนนะถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่น้ำก็ล่างสมุทรไทยล่าความอยากได้เมื่อ น, นั้นหน้าที่เราก็คอยรู้ทุกรู้ทุกก็คือคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ขั้นแรกสุดต้องไม่ใจลอยปกติเราจะใจลอยทั้งวันใจลอยตั้งแต่ตื่นจนหลับนะวันวันหนึน่งนี้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ตลอดร่างกายของตัวเองเป็นยังไงไม่ค่อยรู้สึกหรอกจิตใจของตัวเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่ค่อยรู้สึกหรอก เนะมื่อแต่สนใจอดีตบ้างอนาคตบ้างสนใจคนอื่นบ้างสนใจรูปที่มองเห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสทางจมูกสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนะอย่างเวลายุงกัดเราเนี่ยเราสนใจร่างกายเราก่อนหรือสนใจยุงก่อนสนใจอะไรเอาตัวไหนดีได้สังเกต ด, ดูนะเจ้องอะไรจ้องยุงมึง <laughs> นะตอบเลยใช่ไหมพี่ภาคสาเรียบร้อยนะยิงเป้าแล้วยุงมาเจาะเลือดเราเนียข้อหาอะไรหลักทรัพยนะ์ทหารเนาะทำลายร่างกายนะเราตัดสินทหารนะเราสนใจของข้างนอกนะเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราไม่สนใจตัวเองเราลืมตัวเราเองทั้งวันเลย งั้นต่อไปนี้นะถ้าพวกเราอยากจะพ้นทุกข์ให้ได้แล้วก็เราคอยรู้สึกตัวเองไว้อย่าใจลอยไปถ้าใจลอยนะเรามีร่างกายเราก็ลืบเรามีจิตใจเราก็ลืมเมื่อลืมแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันบังคับไม่ได้หรอกถ้าไม่เห็นอย่างนี้นะก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็าละความอยากไม่ได้นะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องฝึก สำหรับการปฏิบัติธรรมนะอันแรกเลยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนอย่าใจลอยอย่าลืมเนือ้อลืมตัววิธีที่จะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้พูดถึงวิธีการละจิตของเราเนี้ยปกติจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลาเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังเดี๋ยวก็หนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดนึกเรื่องราวต่างๆอดีตบ้างอนาคตบ้างจิตเราเนี้ยจะหนีตัวเองไปตลอด เมื่อนี้เมื่อไหร่มันก็มีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมพวกเราที่บ้านมีโทรทัศน์ไหมเวลาดูโทรทัศน์เวลาอินกับโทรทัศน์นกึกออกไหมครับว่าอินอะ่ะอินกับโทรทัศน์ใช่ไหมมีกายก็ลืมไหมมีใจก็ลืมเราอินกับรูปเรายินอินกับเสียงอินกับเรื่องราวที่เราจิตตามเหมือนเนีย่ยเราดูละครใช่ไหมดูละครถ้าดูอย่างมีสตินะจะไม่มีความสนุกเลย จะเห็นอะไนี่มันคนบ้าชัดๆเลยอยู่ๆทาท่าแปลกๆนะแต่ถ้าเราอินอู้ยมันจริงจังขึ้นมานะเราพลอยนึกว่าเราเป็นนางเอกไปด้วยความจริงเป็นนางอิจฉานะเราก็นึกว่าเราเป็นนางเอกนะเนี่ยเพราะอินเวลาเราอินกับการดูนะเราจะลืมตัวเองเราอิน ก, การฟังเราก็จะลืมตัวเองเราอินไปกับการชิดนะเราก็ลืมตัวเองเพราะเราจะต้องคอยดูแลจิตใจของเรานะีอย่าให้มันอินกับสิ่งต่างๆ ถ้ามันไหลไปเมื่อไหร่นะมันหลงไปเมื่อไหร่ให้คอยรู้ไวๆวิธีที่จะฝึกให้มันรู้ได้ไวนะีต้องทํากรรมฐานสักอย่างใดอย่างหนึ่งคนไหนถนัดพุดโทโธเราก็หัดพุดโทโธไปพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจนะไม่ต้องพูดให้คนอื่นได้ยินหรอกเราเมื่อยปากเปล่าเปล่าพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจพอใจเราหนีไปคิดแล้วมันจะหลงไปในโลกของความคิดในเรื่องราวที่คิดแล้วนะพุโทโธพุโทโธอา้าวหนีไปคิดแล้วให้เรารู้ไวๆ ถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะหนีไปคิดตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยตอนหลับไปมันก็ไปคิดต่อเรียกว่าฝันน ะ, ะเมื่อคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตมันไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะีความจริงมันไหลได้6ช่องนะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจส่วนใหญ่ไหลไปคิดแต่ช่องที่มันไหลบ่อยที่สุดนะคือทางใจนะลองลงไปคือทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายเรารู้อารมณ์ทางไหนมากที่สุด ่างตาถ้าเราตาไม่บอดใช่ไต่อไปล่ะทางหูใช่หหลับตาหูยังได้ยินนะแต่ว่าปิดตาปิดหูหมดใจก็ยังคิดอยู่ใจคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะเกิดบ่อยที่สุดเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนงั้นให้เราคอยรู้ทันใจที่คิดเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะเป็นของที่เกิดบ่อยถ้าไปเอาของที่นานๆเกิดทีมาเป็นเครื่องรู้นะสติก็เกิดน้อย ใจนีไปคิดเรารู้ใจนี้ไปคิดเรารู้ทุกครั้งที่รู้เรียกว่ามีสติเมื่อเราได้ยินคําว่าสติเรื่อยๆใช่ไหมขับรถอย่างมีสติดื่มสุราทําให้ขาดสติพูดไปอย่างนั้นอ่ะไม่รู้จักว่าสติคืออะไรหรอกนะถ้าถ้าเราจะมีสติจริงต้องรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองได้นะไม่ใช่แค่ว่าขับรถไม่ตกถนนก็มีสติอย่างนั้นสติโลกโลกนะถ้าถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจได้นี่นมีสติจริงเรียกสติปัฏฐาน งั้นเรามาทำกรรมฐานนะพุโทโธพุโทโธจิตเราหนีพิชิตเรารู้ทันไม่ชอบพุโทโธชอบมารู้ลมหายใจแล้วก็มารู้ลมหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปหายใจมาใจลอยไปละลืมร่างกายที่กำลังหายใจอยู่พอมันใจลอยไปแล้วก็รู้ไวๆเพราะหนีไปแล้วนะแล้วกลับมาหายใจใหม่รู้สึกใหม่เลียซ้อมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าห้ามหนีหนีก็ได้แต่ว่าหนีแล้วให้รู้ให้ไว ห้ามหนีไม่ได้นะใจจะเครียดทันทีเลยเราจะไม่ฝึกอะไรที่ผิดธรรมชาติธรรมดาใจของเราเนี่ยมันแหว่งไปแหว่งมาเราไม่ไปฝึกให้มันอยู่กับที่หรอกเราจะฝึกแค่ว่ามันหนีไปเมื่อไหไร่ให้รู้ทันเมื่อนั้นนะให้รู้เร็วที่สุดเท่าที่จะรู้ได้วิธีจิต้องทำนะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธแล้วใจหนีไปก็รู้ทันหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้ารู้สึก เมื่อไหร่มันไม่รู้สึกตัวมันใจลอยไปรีบรู้ไวๆอย่าใจลอยนานคนในโลกเนี่ยใจลอยวันละครั้งนะคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐ า, านเนี่ยใจลอยวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลยทั้งวันนะครั้งเดียวในชีวิตเลยนะแต่ส่วนคนภาวนาเก่งนนะใจลอยวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งนะใจหนีแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกมันจะแวบแล้วรู้สึกแวบรู้สึกอยู่เรื่อยนะ ยิ่งฝึกชนานาญมากขึ้นเนี่ยจิตขยับตัวคลิกนึงเห็นคลิกหนึ่งเห็นคลิกหนึ่งเห็นนะนาทีหนึ่งนะมีสติเกิดไม่รู้เป็นร้อยรครั้งนะเร็วมากเลยไวยมากนี่เราคอยฝึกนะเวลาจิตมันหนีไปแล้วเรารู้สึกถ้าคนไหนชอบพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธจิตหนีไปเราก็รู้คนไหนชอบลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอมันไม่รู้สึกพอมันหนีไปเราก็รู้นะคนไหนดูท้องพ่องยุบก็ได้ ดูท้องผ่องดูท้องยุบเพราะใจมันหนีไปเราคอยรู้ใจมันหนีไปได้สองแบบเท่านั้นอันนึงมันหนีไปคิดนะอันที่สองมันหนีไปจ้องอย่างเราดูท้องผ่องยุบเนี่ยใจมันหนีไปคิดก็มีใจไปจ้องอยู่ที่ท้องก็มีเวลาที่เราจ้องลงไปที่ท้องนะเราก็ลืมตัวเองเหมือนกันนะโลกนี้ไม่มีอะไรเลอเหลือแต่ท้องนะร่างกายจิตใจส่วนอื่นหายไปหมดเลยนะอย่างนั้นก็เรียกว่าเพ่งเานาะจิต่อหลงไปจิมก็ไหลไป หรือเราเดินจงกรมก็ได้เราเดินจงกรมไปนะจิตนี้ไปคิดเราก็รู้จิตไหลลงไปจ้องอยู่ที่เท้าแล้วเราก็รู้ตรงที่จิตนี้ไปคิดนี่ก็จิตก็เคลื่อนไปตรงที่จิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตก็เคลื่อนไปสรุปก็คือคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนปุ๊บรู้สึกเคลื่อนปุ๊บรู้สึกจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพลงก็ตามคอยรู้สึกไว้ ต่อไปสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตไม่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้ามันเคลื่อนมาไหลมันลืมตัวเองมานั้นนะงั้นเราต้องฝึกนะตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากพวกเราหลายคนเวลาทาบุญนะชอบอธิษฐานขอให้ได้มากผลนิพพานใครเคยขออย่างนี้บ้างไหมมีมยกมือให้หลวงพ่อยนโมนฉะลาดที่ขอ แต่ต้องปฏิบัติด้วยไม่งั้นไม่ฉลาดจริงนะเป็นลูกสิจูโชกแล้วขี้ขอต้องปฏิบัติเอานะขอเอาเฉยๆไม่ได้หรอกนะขอมาขอผลข อ, อนิพานเป็นไปไม่ไดนะ้อย่างแต่ว่าขอไว้ก็ยังดีเป็นการเตือนตัวเองนะว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเราจะมุ่งไปสู่มรผลนิพานถ้านิพานได้ก็คือเราจะหมดความยินดียินร้ายนะกับความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นอีกลนะใจจะมีความสุขที่สุดเลยแต่ก่อนจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้นะต้องมาฝึกซะก่อนอันแรกฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันที่สองฝึกเห็นกายเห็นใจมันทํางานนะเราเป็นแค่คนดูการที่เราเจะใจเราจะเป็นคนดูได้เนะี่ยก็คือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองสมาธิถนะ้ามีหลายแบบนะพวกเราอย่ามักง่าย จำนวนมากเลยของผู้ปฏิบัติเขาบอกว่าไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปทำมิจฉาสมาธิขึ้นมานะหรือไปทำสมาธิที่สงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาหรือมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนือ้อลืมตัวนะจิตใจจะไม่ลืมเนือ้อลืมตัวได้เราต้องคอยรู้ทันเวลามันลืมตัวเองไป นั่นต้องซ้อมรู้ทันพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้จิตไปเพ่งความว่างๆอยู่ก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องฟังยุบไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าอยู่ก็รู้เนี่ยนี่อยฝึกไปเรือย่างสายลงพระเทียนก็ขยับไปนะถ้าสายหลังหลวงพ่ะเถียนก็ขยับจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือตัวเองอยู่ก็รู้นะ แล้วนะคอรู้อย่างนี้จิตมันเคลื่อนทั้งหมดเลยเคลื่อนไปในความคิดหรือเคลื่อนไปที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจนี่จิตเคลื่อนทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะเมื่อนั้นสมาธิที่แท้ จ, จริงจะเกิดขึ้นนะถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นสมาธิที่แท้ จ, จริงคือความตั้งมั่นของจิตจะเกิดขึ้นสมาธินั้นไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธินะพวกเราไปเปิดพระเจานุกรม ด, ดูสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น จิตของเราไม่ตั้งมั่นมันแฉลบไปตลอดเวลาอินไปในเรื่องโน้นยินไปในเรื่องนี้แต่ถ้าเรามาฝึกคอยรู้ทันเวลาเข้าแฉลบไปนะเข้าไหลไปรู้ทันเนี้ยมันจะเลิกไหลจิตที่ไหลไปเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในอารมณ์ต่างๆฟุ้งไปดูรูปฟุ้งไปฟังเสียงฟุ้งไปดมกลิ่นลิ้มรสฟุ้งไปคิดนึกทางใจอะไรเนี้ยถ้าเมื่อไหร่สติเกิดรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะขาดสะบัน้นอัตโนมัติเลย นี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งนะที่ว่าเมื่อไรมีสติแล้วเมื่อนั้นกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งเลยของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามเป็นความจริงแท้อันหนึ่งนะถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลสจะไม่มีตรงที่จิตมันฟุ้งซ่านไปเนี่ยจิตมันมีกิเลสมีความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตระกูลโมหะเคยได้ยินไหมคำว่าโมหะนะโมหะเนี่ยหัวโจกของโมหะตัวหนึ่งเลยคือความฟุ้งซ่าน พอฟุ้งไปแล้วมันก็หลงลืมตัวเองมีร่างกายแล้วก็ลืมมีใจก็ลืมนะงั้นเราต้องมาให้จิตตั้งมั่นให้ได้ก่อนเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วจิตฟุ้งซ่านไปแล้วเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมานะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้าเราค่อยฝึกนะ เราต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาสัก15้นาทีนะหรือ10นาทีต้องแบ่งเวลาไว้เลยนะเพื่อชีวิตเราที่จะดีขึ้นนะเพื่อว่าเราจะได้มรรคผลนิพพานอย่างที่ว่าอยากได้นะนะเราต้องแบ่งเวลาไม่ต้องมากหรอก10นาที15นาทีไหว้พระสวดมนต์สัหน่อยหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทนันทำกรรมฐานสั่อย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลใย ไ, ไหลมาปรนะจิตหนีไปคิดรู้ทนันจิตไหลไปเพ่ง มือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจรู้ทันนะให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะมันไม่ยากหรอกที่เราจะรู้เวลาเรานึกถึงอะไรนะใจเราก็ไหลไปอยู่ที่นั้นโดยธรรมชาติตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งพวกเราลองสังเกตสิว่าพระพุทธรูปองค์นี้นั่งท่าไหนนะพระเสียงท่านนะเป็นแบบไหนดูสิ มีนาคนาคมีกี่หัวสังเกตไหมขณะนี้เราสนใจพระพุทธรูปไหมเราลืมตัวเราเองแล้วรู้สึกไหมเนี่ยจิตหลงไปทางตานะจิตหลงไปดูขณะที่เราหลงไปดูพระพุทธรูปเราลืมกายเราลืมใจของตัวเองนึกออกไหมเนี่ยแหละถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระแล้วนะจิตมันจะกลับมาที่ตัวเองแล้วพอดีเป๊ะเลยแต่ถ้ากลัวจิตจะไหลไปที่พระแล้วคอยบังคับเอาไว้นะจะไม่พอดีจะตึงเครียดเกินไป การปฏิบัตินั้นต้องไม่หย่อนเกินไปต้องไม่ตึงเกินไปถึงจะเป็นทางสายกลางหย่อนเกินไปก็คือไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองจิตหลงไปไหลไปตามความอยากอยากอะไรอยากดูใมมีความอยากดูก็ไปดูดูเสร็จแล้วลืมตัวเองเลยนี่นจิตมันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นนะแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตเราวิ่งไปแล้ววิ่งไปดูแล้วรู้ว่าทันจิตที่ไหลไปดูนะจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติ ถ้าเมื่อไหร่รู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตคิดเนี่ยตัวสําคัญเลยให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดนะไม่ห้ามนะหนีได้เหมือนมีตาก็มองเห็นรูปได้แต่พอเห็นรูปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่รูปให้รู้ทันใจมีใจก็ต้องคิดได้ถ้าใจหนีไปคิดให้รคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันได้จิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้านะจิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นจิตมีสมาธิที่ถูกต้องนะ้ พอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปนี้เราสามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจตัวเองได้ละถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองได้เพราะว่าอะไรเราลืมมันนะถ้าเราจะเรียนรู้ความจริงของกายเราก็ต้องไม่ลืมร่างกายเราจะได้คอยดูว่าจริงๆนี้ร่างกายเป็นยังไงนะถ้าเราอยากรู้ความจริงของจิตใจเราก็ต้องไม่ใจลอยไปเราต้องคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ พอไม่ใจลอยแล้วเราคอยมารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจนะเราจะเห็นเลยร่างกายนี่นะไม่คงที่เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนทำไมต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะเราต้องหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็เป็นทุกข์ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ พวกเราเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิดูว่าทุกไม่ทุกหายใจเข้าอย่าออกนะหายใจเข้าไปสักชั่วโมงเอาสิทนไม่ได้เนาะทุกเห็นไหมพอหายใจเข้าเป็นทุกแล้วต้องหายใจออกจะได้สบายใช่ไหมพอหายใจออกไปเรื่อยๆทุกอีกแล้วเห็นมไหมความทุกเนี่ยตามบีบขยี้เราอยูนะ่ขยี้เราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจออกก็ทุกนะหายใจเข้าก็ทุกนะเนี่ยเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายเราจะรู้เลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยก่องทุก ถ้ามไรเราเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยก้อนทุกข์นะเป็นกองทุกข์นะต่อไปเวลาร่างกายจะป่วยเนะีใครป่วยตัวทุกข์มันป่วยร่างกายนะจะแก่ตัวทุกข์มันแก่นะร่างกายจะตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายเราจะเดือดร้อนไหมควรจะดีใจด้วยซ้ำเนี่ย่อยรู้ลงมาในร่างกายมากๆนั้นะจะเห็นว่าเต็มไปด้วยกองทุกข์นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวต้องการขั บ, บถ่ายนะ เดี๋ยวจังน้้นเดี๋ยว่ังนี้ตลอดเวลาเลยมีความทุกข์บีบคั้นไม่เฉพาะหายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์นะที่เราต้องยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยก็เพื่อหนีทุกข์นั่นเองนั่งนานๆก็ทุกข์ใช่หมแล้วต้องไปลุกไปขยับไปอะไรไปเดินนานๆก็ทุกข์อีกยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆทุกข์ไหมเองไปดูผู้ป่วยเป็นอัมพาตนอนนานมากเลยนะบางคนอยากนั่งกินนอนกินเจออย่างนั้นเข้าสิ ทุกคั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นแผลกดทับเป็นน้นเป็นนี่ขึ้นมานั่นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาเลยเพราะร่างกายนั้นมันถูกความทุกข์บีบคั้นเราต้องเปลี่ยนลมหายใจนะเพราะร่างกายถูกความทุกข์บีบขั้นดูไปดูไปร่างกายนี้เต็มไปด้วยตัวทุกข์นะถ้าเราเห็นความจริงของกายได้แล้วกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยต่อไปตัวทุกข์นี่จะแก่ตัวทุกข์นี้จะเจ็บตัวทุกข์นี้จะตายจิตจะไม่หวั่นไหวเลยนะก็ตัวทุกข์มันจะตายตายซะได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไร มาดูจิตใจของเราเราจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเราดิ้นรนหาความสุขแทาเป็นแทบตายนะอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินของอร่อยอยากคุยกับคนนี้อยากหนีจากคนนี้อนะไรเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ใจเรามีความสุขสบายใจเพื่อจะได้สบายใจเคยมีไม่อยากไปคุยกับเพื่อนคนนี้แล้วสบายใจก็อยากไปคุยกับเขาเคยไหมไม่อยากเห็นหน้าคนนี้เลยเห็นหน้าแล้วไม่สบายใจอยากจะหนีไป อยากให้เขาตายตายไปซะเราจะได้สบายใจเนี่ยเรามุ่งหาความสบายใจนะแต่ความสบายใจไม่เคยเที่ยงเลยเราสบายใจได้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ไม่สบายใจอีกละเนี่เฝ้าดูอยู่ที่ใจของเราจะเห็นในความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรานะสั้นนิดเดียวมีความสุขเกิดนะดิ้นรนแทบตายเลยเพื่อจะให้มีความสุขแต่ความสุขก็ไม่อยู่กับเรานานอยู่แป๊บเดียวก็หายไปเกลียดความทุกข์นะสั่งให้ความทุกข์หายไปมันก็ไม่หายใครเคยอกหักไหม ลองยกมือสิร่างฐานหนใครเคยอกหักแสดงว่าดีนะดีกว่าพวกรักไม่เป็นน ะ, mm. ะเวลาอกหักบางทีเพื่อนกามาปลอบนะอย่าพิคิดถึงเขาสิทอลืมเข้าไปเลยพูดง่ายทําได้ไหมเรื่องอะไรที่บอกว่าอย่าคิดอ่ะยิ่งขยันคิดรู้สึกไหมตรงนี้คือคําว่าอนัตตาอนัตตาคือสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราจงมีความสุขสั่งสิจงมีความสุขสงสจงอย่าทุกข์สั่งได้ไหม อย่าโกรธเคยตั้งใจไหมว่าจะไม่โกรธเสร็จแล้วตกเลยเนะผลอทีเดียวนะมันยิ่งไปโกรธอีกสั่งมันไม่ได้ตรงที่เราคอนโทรลไม่ได้สั่งไม่ได้คือคําว่าอนัตตามันไม่อยู่ในบังคับนะอย่างร่างกายนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวทุกนะจิตใจนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าไม่เที่ยงความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วหายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายโลภโกรธหลงหรือความดีทั้งหลายอยู่ชั่วคราวก็ไปเหมือนกันหมดนะ แล้วเราจะเห็นได้อีกตัวหนึ่งที่ชัดเจนนะสำหรับจิตใจคือความเป็นอนัตตาการบังคับไม่ได้การสั่งไม่ได้ร่างกายเนี่ยเห็นทุกได้ชัดนะจิตใจจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาได้ชัดนะแปรปรวนตลอดเวลาเนี่ยเรามาเฝ้าเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะเราไม่ใจลอยไปแล้วก็มาดูกายมันไปด้วยเราก็เห็นนะกายนี้เป็นตัวทุกใจมันก็คลายความยึดถือในร่ากายออกมาดูจิตใจนะเราไม่ลืมตัวเอง จิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราจะเห็นว่ามันหมุนติ้วติติไปทั้งวันนะแปรปรวนตลอดเวลาเลยมีแต่ความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงกระทั่งดีก็ไม่เที่ยงเลยนะอย่างบางทีอยู่บ้านนะได้ยินว่าวันนี้หลวงพ่อประโมทจะมาเทศอยากมาฟังพอมานั่งถึงตรงนี้สักพักเดียวอยากกลับบ้านนะเนี่ยจิตมันไม่เที่ยงนะโดยเฉพาะอะไรที่ดีๆเนี่ยไปเร็วเลย แลไอ้ที่ไม่ดีนะไม่ก็อย่าไปนะเนี่ยเราใคยสังเกตนะใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงใจเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้อย่ากโกรธก็โกรธนะอย่าน้อยใจนะก็น้อยใจนะอย่าอิจฉาก็อิจฉาใครเคยอิจฉาบ้างมีไหม ย, ยกมือสิมันไม่ยกมือคือคนพูดเท็จนั่นแหละ <c oughs> ใครๆก็เคยใช่ไหมเราจะบอกตัวเองว่าอย่าอิจฉาห้ามไม่ได้อะใช่ไหม อย่ากเกลียดมีไหมเคยเกลียดใครไหมมีใครไม่เคยเกลียดอะไรเลยมีไหมไ ม, ไม่มีหรอกเพราะเรามีทั้งรักโลภโกรธหลงเรามีทั้งหมดนะนะเลยไม่ต้องไปหลอกตัวเองเลยเนาะมันโลบขึ้นมาให้รู้ทันแล้วเห็นในความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันนะถ้จะเห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปมันใจลอยใจหลงไปเนี่ยใจหลงฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยก็รู้ทันมันก็หายฟุ้งซ่าน ใจหดหูหรือใจหดหูไหมต่อไปเวลาใจหดหูไม่ต้องไปทำอะไรรู้ว่ากําลังหดหูอยู่นะเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่เที่ยงหรอกอย่าไปไล่มันนะยิ่งเกลียดมันมันยิ่งไม่ไปนะถ้าเป็นกลางแล้วมันรีบไปเลยนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่ารู้ด้วยความเป็นกลางนี่นะความสุขเกิดขึ้นรู้ไปก็เห็นว่ามันหายไปแนละ้วเราไม่เป็นกลางแล้วเราอยากให้มันอยู่นานๆความทุกขเกิดขึ้นเราอยากให้มันไปเร็วๆมันไม่ไปนะเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางใจเราเกลียดมัน ใจเนี่ยเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เกลียดนะให้คอยรู้ทันทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราคอยรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมาหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้ทันความรู้สึกทางใจนะที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานนะใจก็จะเข้าใจความจริงธรรมดาของร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะธรรมดาของจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้เห็นธรรมดาของมันแล้ เมื่อเห็นธรรมดาของมันได้นะความอยากมันจะไม่มีนี่เป็นวิธีที่อัศจรรย์มากเลยคนในโลกเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะแก้ความอยากนี้ด้วยวิธีสนองความอยากใช่อยากดูหนังไปดูหนังแล้วก็หายอยากอยากมีภรรยาก็มีใช่ไหมเดี๋ยวก็หายอยากอย่างนี้นะคนในโลกเนี่ยมันแก้ความอยากด้วยการสนองความอยากพอสนองไปได้แล้วนะั้นเดี๋ยวความอยากอันใหม่ก็เกิดลนะก็ต้องสนองกันไปย เ, เหนื่อยนะ ในแนทางปฏิบัติเราถ้าใจมันอยากนะรู้ทันมันใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงใจมันดีใจมันร้ายนะรู้ทันมันไปเรื่อยไม่ต้องไปทําอะไรหรอกให้คอยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะต่อไปมันเลิกอยากไปเองเพราะมีปัญญาวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายความอยากได้ด้วยปัญญานะคือเห็นความจริงแลทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดจะอยากให้มันอยู่จะอยากได้มาทําไมมันของชั่วคราวนะจะอยากให้มันหายไปเร็วๆทําไมมันของชั่วคราวนะ น่ความอยากไม่เกิดนะใจจะหมดความดิ้นรนนะหมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนใจก็หมดความทุกข์กันตรงนั้นแหละสิ้นอยากเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกข์เมื่อ น, นั้นนะเนิพพานเคยได้ยินไหมคำ ว, ว่านิพพานอยากได้นิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความอยากคือสภาวะที่สิ้นอยากนั่นแหละนะความอยากสิ้นได้เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคาว่าทุกข์คือกายกับใจ รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตใจไม่เที่ยงเป็นอนัตตานี่รู้แจ่มแจ้งนะความอยากจะไม่เกิดอีกเลยเมื่อความอยากไม่มีนะความทุกข์ทางใจจะไม่มีนั่นแหละพันนิพพานก็คือความสิ้นทุกข์ทางใจนะความสิ้นอยากสิ้นอยากเมื่อไหร่เขาเรียกว่านิพพานนั่นแหละนะงนการที่เราคอยรู้ทุกข์คอยรู้กายรู้ใจของเรานี่เรียกว่าการเจริญมั่งนะเนี่ยทุกข์สมุทยัยนี่รอมั่งก็อยู่ตรงนี้เองนะการที่เราคอย ใจลอยเรารู้นะใจเข้ามาอยู่กับตัวเองพอ จ, จิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็คอยดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยไปนี่แหละเรียวกว่าการเจริญมรรคน ะ, จะเจริญให้มากจนใจมันยอมรับได้อริยมรรคแท้ๆก็จะเกิดขึ้นมันจะฆ่ากิเลสตายนะฆ่าความโม่หร้ายตายนะลหลังจากนั้นเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมันจะเต็มมันจะอิ่มอยู่ในตัวเองนะพวกเราอยู่โรงพยาบาลเราเห็นไหมคนแก่คนเจ็บนะ คนจะตายทุรนทุรายเยอะเลยใช่ไหมคนทุกข์เยอะแยะเลยลองไปดูครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งๆสิท่านนี้แก่ท่านยิ่งสดใสเคยสังเกตบ้างไหมขนาดท่านนอนเจ็บอยู่นะท่านก็ยังเบิกบานไม่ได้ทุกร้อนเลยพวกเรานอนเจ็บเพราะสิทุรนทุรายท่านนอนเจ็บนะร่างกายของท่านกระสับกระส่ายจิตท่านไม่กระสับกระส่ายเลยท่านมีความสุขท่านพวกเราต้องฝึกนะฝึก ค่อยๆเข้าใกล้นิพพานให้มากขึ้นมากขึ้นนะด้วยการคอยรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจลอยนะแล้วสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะที่จะต้องมีคือการรักษาศีล5ต้องรักษานะถ้าเราไม่รักษาศีล5จิตใจเราจะฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกนะนั้นต้องไม่ไม่ผิดศีล คนทำผิดศีลเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นใช่กับคนที่เมตตาคนอื่นเนี่ยคนไหนจะสงบกว่ากันคนที่เมตตาคนอื่นก็จะจิตใจสงบสบายกว่าใช่ไหมคนที่คิดร้ายกับคนอื่นไม่สงบหรอกคนที่คิดจะลักขโมยเขากับคนที่กล้ากระทั่งจะเสียสละส่วนเกินของตัวเองให้คนอื่นได้ใช่คนไหนจิตจะสงบกว่ากัน คนที่ซื่อสัสตย์ต่อคู่ของตัวเองนะกับคนที่นอกใจคู่ของตัวเองใครจิตจะสงบกว่ากันคนตลบตะแลงตอแหลนะกับคนพูดความจริงจิตใจของใครจะสงบกว่ากันคนที่เหล้าเมายากับคนที่ไม่กินเหล้าอ่ะใครมันจะสงบกว่ากันดังนั้นศีลห้าเนี่ยนะถ้าเรารักษาได้นะชีวิตเราจะสงบสุขนะความสงบไม่ใช่สงบเฉยๆเราแม่สงบสุขด้วยพอเรารักษาศีลห้าได้ถัดจากนั้นเราก็มาฝึก คอรู้ตัวเองใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ฝึกวันหนึ่ง10นาที15นาทนะีนั่งพุโทโธไว้ก็ได้นั่งหายใจไปก็ได้แล้วใจไหลไปแล้วรู้ทันทําอย่างนี้ให้ได้นะแล้วเวลาที่เหลือมาเจริญสติในชีวิตประจําวันร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเปลี่ยนแปลงอะไรคอยรู้สึกไปนะถ้าทําได้อย่างนี้นะ1รักษาศีลห้าที่2ทําในรูปแบบ นะฝึกซ้อมทุกวันทุกวันวันหนึงสินาทีสิบนาทีทำกรรมฐานอย่างหนึห่งขึ้นมาแล้วจิตหนีไปเรารู้หนีไปเรารู้นะแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ในชีวิตนี่แหละตามองเห็นคนนี้ปุ๊บใจเกลียดรูนะ้หูได้ยินเสียงอันนี้ปุ๊บใจชอบรู้เนี่ยรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเรานะกิเลสมนอยู่ที่ใจเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ตาที่หูหรอกนะนคอยรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกสุดท้ายจะเห็นความจริงของร่างกายจิตใจเห็นความจริงรู้ธรรมดามเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจจะหมดความอยากเมื่อความอยากก็สิ้นทุกข์นะจําได้ไหมรักษาศี่หนะซ้อมในรูปแบบเพืคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายดูใจเ้าทํางานไป มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ60กสกว่าเกษียณ น, นะขาดบ้านถูบ้านนะทำงานบ้านซักผ้าอะไรนี้ทำไปเรื่อยทําไปแล้วก็มีสุติรู้ไปเรืยพาวนาเก่งมากเลยนะพระสู้ไม่ได้เยอะเลยฆรวาสก็ทําได้นะไม่ใช่ฆราวาสทําไม่ได้หรอกนะมรรคผลไม่ใช่ปลูกขาดเฉพาะพระนี่นะพระเป็นปุถุชนก็เยอะฆราวาสจะเป็นพระริยะบ้างจะเป็นไร อยู่ที่ว่าได้ทำเดินอยู่ในทางที่จะเป็นพระอริยะไหมถ้าวันๆนะศีลหก็ไม่ ม, มกกีก็ไม่อยู่ในทางวันๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็ไม่อยู่ในทางวันๆนะหมดติคิดเรื่องอื่นดูเรื่องอื่นดูคนอื่นจิตใจไม่เคยเห็นความจริงของกายของใจตัวเองลืมกายลืม ใ, ใจตัวเองทั้งวันก็ๆๆนะไม่อยู่ในทางถ้ามันอยู่ในทางได้วันเเดือน7ปีมควรจะได้อะไรบ้างนะวันนี้หลวงพ่อเทศแค่นี้ เอาใครมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อนวมัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อปกติฟังทีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณสี่ปีอะค่ะแล้วสองปีแรกก็คือลองปฏิบัติแล้วการรู้ตัวก็เป็นคนมีโมหะเยอะก็รู้ตัวมากขึ้นจะสาบถานหลวงพ่อว่าคือให้ฟังน้อยลงแต่ปฏิบัติมากขึ้นแต่ว่ามีความสึกว่าการรู้ตัวลดลง แต่เรารู้ว่าเราเราความรู้สึกตัวเราลดลงนะคะที่ทํานี่ถูกทางไหมคไม่ถูกเลยน ะ, ะต้องรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนะถ้าใจล่องลอยไปอะไรนั้นไม่ดีนะพยายามรู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วถ้ารู้สึกไปแล้วแล้วเราก็คือรู้สึกณขณะนั้นถือว่าผิดหรือถูกคะเป็นยังไงรู้สึกณหมายถึงว่าเราโกรธแต่เรายังคือเราโกรธแล้วมันไปแล้วแล้วแต่ก็คือ พอความโกรดลดลงเราไปรู้สึกณนะตอนนั้นในขณะในขณะที่โกรธเนี่ยจะรู้สึกไม่ได้ huh. เพราะอะไรขณะที่โกรธเนี่ยจิตเป็นอกุศลในขณะที่จิตเป็นอกุศลไม่มีสติหรอกใช่ไหมเพราะงั้นการที่เราจะดูจิต ด, ดูใจเนี่ยเราจะดูตามหลังแต่ต้องตามหลังแบบกระชั้นชิดนะโกรธพอโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่เงี้ยรู้ว่ามันโกรธอนะ่ะมันจะเห็นอะไรความโกรธมันจะกระเด็นวับไปเลยเป็นอดีตไปหมดเลย ปัจจุบันเนี่ยไม่โกรธปัจจุบันเป็นคนรู้นะไม่เหมือนร่างกายนะร่างกายเนี่ยเรารู้ลงปัจจุบันขณะเียว่าปัจจุบันขณะอย่างเี้ยร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้ตลอดเวลาแต่จิตใจเนี่ยนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาแต่ต้องรู้ใกล้ๆนะแบบถ้าเมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้เนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องแบบติดๆเลยเนี่ยตอนนี้มีความสุขรู้สึกไหม รู้ว่ามีความสุขใช้ไความสุขเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วรู้ว่ามีความทุกข์โลบโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ว่ารลภโกรธหลงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ากําลังโกรธอยู่ก็รู้อยู่เป็นไปไม่ได้นะสติไม่มีหรอกตอนนั้นต้องรู้ตามหลังแต่ให้ไวที่สุดใช่ไหมใช่ต้องแบบเห็นหางมันไหวๆและถ้าเราฝึกได้ดีก็คือเราพอความโกรธเกิดขึ้นเราเรารู้แล้วเราไม่เราก็จะได้ ระงรับมันได้อยู่โดยที่ไม่ต้องไม่ใช่หรอกเพราะว่าทันทีที่มีสติรู้ว่ามีความโกรธเนี่ยความโกรธ ด, ดับไปแล้วไม่ต้องระงรับอ๋อไม่มีความโกรธจะให้ละนะเราจเจริญสติรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อละกิเลสนะจะไม่มีกิเลสให้ละต่างหักนะสิ่งที่ละไปคือความเคยชินอนุใส่จะค่อยๆถูกทาลายไปเพราะในขณะที่มีสติไม่มีกิเลสจะให้ละดับไปแล้ว แต่ว่าสิ่งที่จะค่อยลดละไปนั่คือความเคยตัวอนุสัยความเคยชินต่างๆที่ชั่วะจะค่อยๆลดระดับลงขอบคุณค่ะกราบนมัส ก, การค่ะลูกฟังซีดีแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตมาประมาณปีหนึ่งภาวนามาประมาณปีหนึ่งก็ตอนนี้ก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมค่ะก็บอง เห็นร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนได้บ่อยๆออต้องอย่างนั้นสิถ้าเราภาวนานะเราจะเห็นร่างกายก็ร่างกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตนะแล้วแยกสุขทุกข์ออกไปอยู่ต่าหากได้ไหมไ ด, ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเห็นกิเลสอยู่ต่าหากไหมบางคับค่ะเออได้บางครับก็ยังดีอย่างน้อยชีวิตนี้ได้รู้แล้วว่าขันมันแยกออกจากกันได้สังเกตไหมว่าพอมันแยกออกไปแล้วมันไม่มีตัวเราร่างกายที่หายใจอยู่นะั้นไม่ใช่เราแล้ว ส่วนใหญ่เห็นบ้างแต่มักจะเป็นคิดคิดนำมากกว่ามันออแรกแรกคิดนำก่อนไม่เป็นไรนะต่อไปถ้าเห็นให้ของจริงนะเวลาพูดกับคนอื่นบางทีก็ส่วนใหญ่จะเห็นบ่อยๆ<ม>ว่าเปิดร่างกายกุยกันกับคนอ<ม>ื<ๆ>่นนั่นแหละดีสวดท้ายจะรู้เดอะไม่มีเรานะร่างกายนี้ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มี ถ้าใจมันยอมรับแจมแจ้งว่าตัวเราไม่มีนะคือภูมิธรรมของพระโสดาบันนะถ้าใจมันยอมรับความจริงเลยวนะ่ากายนี้ใจนี้ขันห้านี้ที่ว่าไม่ใช่ตัวเรานะแท้จริงแล้วเป็นตัวทุกข์มันจะไม่ยึดถือเป็นภูมิธรรมพระอรหันต์อยากให้หลวงพ่อให้กันบ้านต่อคนะ่ะใจฟุ้งซ่านจวคอยรู้เอานะยังฟุ้งเก่งอยู่นะ่าจะทํารูปแบบเพิ่มไหมคะ การปฏิบัติเนี่ยนะเราทำในรูปแบบนทุกวันนะอาจจะไม่ได้ทำนานๆแต่จะทำหลายรอบต่อวันดีกว่าทำยาวๆ้รย่้ยไปนะเดิมอาจจะก่อนนอนทำหนึ่งรอบ15นาทีพอพานาชำนิชำนานนะมีเพิ่มรอบเช้าเพิ่มรอบกลางวันอย่างเงี้ยนะจิตจะได้แรงงันยังยั ง, ย, งยังรู้สึกจตจิตไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมครับ<อ>กำลังไม่พอ ถ้าจิตไม่มีกำลังพร้อมจะไหลเก่งค่ะก็ยังรู้ตัวว่าฟงสั้นเยอะนั่นแหละเป็นฟงสั้นเอ า, ปาอไป่อมแซส่งนบ้านครับเออเมื่อเมื่อปีห้าหนึ่งเคยกลับหลวงพ่อที่วัดแล้วหลวงพ่อก็เมตานำดูปัจจุบัติให้นะครับอพอปีห้าสองก็ผมมีอาชีพซ่อมอรถจักรยานฮะแล้วก็นั่งงัดงัดยางไปก็มีสติรู้มือไปเรื่อยนะครับค่ะยางก็รู้ไปแล้วก็ พอดีมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาก็จิตไปเห็นจิตเกิดดับที่หูครั้งแรกตรง น, นั้นนะครับแล้วก็หลังจากปีนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเยอะครับอย่างเช่นเอเห็นตัวเองรู้จักที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเห็นว่ารู้ว่าตัวเองฝันอยู่แล้วจิตก็วิ่งมาดูที่กา ย, อ, ยานะอันนึงแล้ว ก, ก็อย่างเช่นว่าเข้าห้องน้ําครับก็มองดูตัวเองก็อาบน้ําไปก็ดูร่างกายแล้ะ และมองที่อวัยวะตัวเองแล้วอ้าไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับสักพักหนึ่งก็รู้จักตื่นขึ้นมาแล้วก็เวลาตรงที่ตาเรามองเห็นนะมันไม่มีคําพูดอาศัยสัญญามันพุดขึ้นมานะจะไปเรียกได้นะครับกับสัญญาดับเช่นสัญญามันดับครับแล้วก็ปวดท้องห้องน้ำครับก็เห็นความปวดท้องอยู่ส่วนหนึ่งหรือตัวตัวดูว่าอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ จิตเราก็ไม่ได้กังวลกาวายไปตามร่างกายก็ให้มันเข้าไปปกตินะครับแล้วก็ปีต่อมาก็เริ่มเห็นภาระเริ่มเห็นการดําเนินชีวิตแต่ละวันที่ต้องทํามันเป็นทุกข์มันเป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มเห็นเป็นอสุภะมากขึ้นเริ่มเริ่มเห็นเป็นมรณงสติมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรู้ทันพอเห็นความอยาก พอรู้ทันความอยากมันก็เป็นทุกข์นะครับอยากทํานู<ม>่นอยากทานี่ก็เป็นทุกข์นะครับโยมมีอะไรต้องต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมนีครับก็มีตัวรู้อยู่ได้แทบทั้งวันอย่างนี้ก็ดีแล้วนะแต่ข้อต้องระวังก็คืออย่ารักษาตัวรู้ไว้นะอย่าไปประคองมันถ้าเราประคองตัวรู้นะใจมันจะมีน้ําหนักขึ้นมานิดนึงนะใจมีน้ําหนักไหมมีอยู่ครับนะให้รู้ทันนะถ้าเราอย่างประคองอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอื่นๆเนี่ยไม่เที่ยง แต่ตัวรู้มันจะเที่ยงนะตัวอื่นไม่ใช่เราแต่ตัวรู้มันจะเป็นเรางั้นเราไม่ประคองตัวรู้เอาไว้ครับมันมันก็ห้ามไม่ได้ก็ห้ามไม่ไ้ให้รู้ไปเรื่อยๆให้รู้ทำว่าประคองมันอยู่ก็เริ่มเห็นตัวละเอียดบ้างเรื่อยๆทาถูกแล้วลนะครับก็ะโหทนานหลวงพ่อได้ครับที่ปลุกคนให้ตื่นเสกคนให้เป็นงานครับหลวงพ่อเหมือนนักปูกต้นไม้นะแต่เนี้ยต้นไม้หลวงพ่อออกดอกเยอะเลย รอักการหลงพ่อจะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าเจ้าค่ะตอนนี้ก็คือเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันได้บ้างแล้วก็เวลามีสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วก็จิตกำลังจะปรุงก็จะอ่ะจะปรุงแล้วนะจะปรุงแล้วนะคือเหมือนกับตีตัวตุ่นทั้งวันเลยค่ะไม่ห้ามมันนะแต่เรารู้ทันถ้าห้ามมันจะตึงเครียดไปถ้ามันปรุงแล้วไม่รู้เนี่ยย่อหย่อนไป ถ้ามันปลุกแล้วรู้ว่าปลุกเนี่พอดีก็มันมีสิ่งกระทบเยอะจนบางครั้งเรามองดูสิ่งที่มันปรุงในจิตจนคนที่พูดรบัรบๆตัวเราที่กําลังช่วยเราปรุงอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยกลายเป็นว่าปล่อยไปหมดเลยก็มองเห็นกายไว้กลายเป็นคนที่ยืนอยู่เฉยๆไม่รับรู้อะไรคืออยู่กับโลกก็ต้องกลมกลืนกับโล ก, กอันนะไม่ใช่มนุษย์ประหลาด <laughs> ค่อยฝึกไปเลยนะมันจะเห็นนมันเหมือนฝันอยู่นะเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนฝันอยู่นะในโลกนี้เขาว่าเขาจริงจังนะเราดูแล้วคนในโลกนี้มันไม่ตื่นหรอกมันฝันอยู่<ะ>นะเราก็เห็นคนอื่นเขากลายเป็นว่าเขาหลงกันใหญ่เลยเอ่ะเออแต่เขาจะว่าเราเพี้ยนเพราะอะไรเพราะโลกนี้เป็นโลกของคนบ้าเราเป็นคนส่วนน้อยนะคนมีสติมีความ รู้สึกตัวมีปัญญาอะไรเนี่ยคนส่วนน้อยนะรู้จักสมเด็จโตไหมแบบตอนไหนขัวโตมันดีนะเขาว่าขัวโตบ้าตอนไหนขัวโตทำบ้าบ้านะเขาว่าดีทําบ้ า, บาเนเล่นกับเขาคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาว่าดนะีแต่ว่าเราก็ไม่เป็นปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อมนะนะัปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่า อยู่กับโลกไม่ได้แล้วต้องหนีไปอยู่ที่โน้นที่นี่อยู่ในถ้าอยู่ในวัดคนเดียวนะอไม่หนีโลกหรอกอยู่กับโลกเข้าใจมันอยู่กับมันไปต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ทําอีกนะแต่ถ้าจิตมันเศร้าหมองอะไรเงี้ยให้คอยรู้ทันเอาบางทีมันเหมือนกับสู้ไม่ค่อยไหวมันก็เลยเนะั่นแหละให้รู้ทันจิตที่เศร้าหมองมนะแล้วทําในรูปแบบด้วยอะไรเนะี่ยจะทําให้มีพลัง วันไหนดูจิตได้ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกาย uh huh. ตอนไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะ uh huh. พุโทโธพุโทโธไ ป, ปกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองปีค่ะก่อนหน้านี้ก็ฝึกมาบ้างค่ะช่วงที่ผ่านมาก็กายกับจิตแยกออก ไ, ได้ค่ะ uh huh. แล้วก็ มีคืนหนึ่งที่นอนฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็คือหลับตานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแขนมือมันมหายไปค่ะนั้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อมาก็คือเข้าห้องน้ำ้าห้องน้ำอยู่ก็คือปวดทุกข์แล้วก็ ม, มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นโพรงสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีบางอย่าง ไหลออกไปจากกายเราค่ะนี่ไงพระเจ้าท่านบอกนะกายเป็นครูหาเป็นถ้านะเป็นโพรงให้จิตอาศัยอยู่นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเป็นนิดแล้วก็ที่ปฏิบัติอยู่นะคะสวดมนต์แล้วก็ทําสมาธินะปัจจุบันเนี้ยค่ะหลวงพ่อคือไม่ทราบ ว, ว่าตัวเองเพ่งหรือว่าตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าพอสวดมนต์จะไม่ออกเสียงค่ะแล้วก็ เหมือนคือรู้สึกว่ากายอยู่ในกายนะคะเจ้าคะ่ะมันเป็นเปล่าๆ เ, เจ้าคะ่ะแล้วก็พอนั่งสมาธิก็จะเห็นคือมีความรู้สึกว่ากายก็เป็นเปล่าๆ เ, เป็นอะไรนะเป็นว่างเปล่าเจ้าคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีบางช่วงที่จิตมันวิ่งไปทางนั้นเพียงนี้คือยังคิดอยู่เราไม่ห้ามน ะ, ะจิตจะไม่วิ่งได้ต้องเป็นพาระอรหันเท่านั้น ดังนั้นจิตเราวิ่งไปวิ่งมาให้มีสติรู้เอาเราไม่ไปบังคับมันนะค่ะไม่บังคับเรียนรู้มันไปดูมันไปอย่างที่มันเป็นไม่ไปบังคับไม่ไปแทรกแซงมันน ะ, ะดูให้สบายสบายแล้วกรณีบางครั้งลูกใช้พุทโธเออไม่ทราบว่าลูกเพ่งเกินไปหรือเปล่าคือมีแสงสว่างแล้วคือ พุทโตไม่เห็นเป็นไรเลยมีแสงก็มีเจ้าคนะแต่ว่าอย่าให้จิตเราไหลเข้าไปในแสงนะให้เห็นในจิตกับแสงนะโครานกันเจ้าค่ะคือบางครั้งพอออกจากสมาธิตรงนี้แล้วก็พอจะนอนหลับก็ยังคือสว่างโพลงเออมันจะสว่างโพลงอยู่นั้นปกติอะจิตมันมีสมาธิเจ้าค่ะแล้วบางทีร่างกายนอนนะร่างกายหลับเลยนะแต่ว่าจิตนั้นสว่างอยู่นั้นทั้งคืนเลยเจ้าค่ะะ ระหว่างวันที่ลูกคือพยายามทําความรู้สึกตัวบางครั้งที่ไม่ได้ใช้ความคิดในการทํางานนะเจ้าค่ะเจอคนบางทีมาพูดคุยเมื่อก่อนลูกก็จะก็จะก็จะใช้ชีวิตเหมือนปกติสัะค่ะแต่เดี๋ยนี้ก็จะมีความรู้สึกคือเราไม่พอใจแล้วก็เราใช้คําพูดที่เอาเปรียบเขาอืแบบที่ไม่ให้เขารู้สึกแต่จริงๆ เขามองกลับมาก็คือทำดีกับเขาแต่จริงก็คือรู้ตัวเองว่าเราชั่วแอบอยู่เจ้าค่ะเออนะให้รู้ทันอย่างนั้นนะดีเจ้าค่ะแล้วควรมีอะไรที่จะเพิ่มเข้าไปดูเวลาโทสะมันแฝงเข้ามานะค่ะมันจะซ่อนเก่งอ่ะมันจะมาได้เรื่อยๆแหละเจ้าค่ะขอัดูนี้คนคนแรกอ่ะเราต้องไม่ให้ความรู้สึกมันยอมใจเรานะ ถ้ามันครอบใจเรายังมันมันซึมเศร้าขึ้นมามันครอบไปไม่ดีนะเราใจต้องอิสระจากมันให้รู้ทันมันอย่าให้มันครอบมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเคยมีโอกาสได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาบ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มต้นจะเริ่มภาวนา อ, อยากให้หลวงพ่อแนะนาว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มจปัจจุบันนี้แหละแบบร่างกายเนี่ยกำลังกระดุกกระดิกอยู่เห็นไหม เห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเคยทำแล้วเกิดการเครียดค่ะคือไปบังคับมันเอออย่าไปเครียดสิอย่าบังคับสิะนะถ้าไปบังคับให้รั่วบังคับเนี่ยเห็นร่างกายมันอ้าปากเห็นร่างกายมันขยับมือเห็นไหมคอยรู้สึกร่างกายของหนูดูกายให้เยอะนะมันเป็นคนรักกายมากใช่ค่ะรักสวยรักรน้ำแบดูกายให้เยอะไว้ค่ะมันเหมาะกับจริตใช่แล้วก็อยากทราบว่าเคย บอกให้รู้ทันใจคือเมื่อก่อนโกรธจะเป็นคนที่ตัวโมโหแล้วก็โกรธจะเสียงดังอแต่ว่าตั้ช่วงหลังๆนี้ไม่ทราบว่าเอพอโกรธปุ๊บมันจะมีแวบหนึ่งที่รู้ว่าอุ้ยเราโกรธจากที่เคย่าที่เคยต้องตะโกนเป็นเสียงดังก็แบบมันหยุดแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกมันก็จะชะลอไปได้ถ้ากิเลสเกิดแล้วสติรู้นะกิเลสจะดับไปเองนะหมดพลังไปเองอะไม่ต้องทําอะไรมันเลย อันนี้เรียกว่าเริ่มรู้ทันหรือเปล่าคะใชะนะ่แต่ของหนูดูกลายเป็นพื้นฐานไว้นะร<น>่างกายกระดุกกรดิ ก, กระดุกกดิเคยรู้สึกนะหนูต้องเลือกแล้ว ค, ความรู้สึกในใจเกิดขึ้นมันจะรู้เองแหละขอบคุณค่ะตามนิมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อประมาณสักเดือนสองเดือนนะคะก็เริ่มเหมือนรู้สึกว่าอยากจะลองลองดูเหมือนกั น, นะคะ่ะอยากลองกนดีแล้วนะ พราะพุทธเจ้าท่านสอนธรร ม, มนะแล้วท่านก็บอกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะอยากลองอ่ะดีแล้วนะแต่ลองให้ถูกหลักนะ<ม>เห็นร่างกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรืเป็นคนช่างคิดไหมนะเ<ม>นี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะคือบางทีรู้ทันอย่างเวลาเราโกรธหรือเราเศร้า<ม>หรืออะไรเงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เราเราก็รู้นะคะว่าเราเราเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือมัน<ม> ไม่ห้ามมันนะโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่ว่าต้องหายโกรธหายไม่หายเรื่องของจิตเอาแค่ที่พระเจ้าสอนนะดูกราฟิกสูตทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าไม่ได้บอกให้ทําอย่างอื่นดูไปซิโทสะเที่ยงหรือไม่เที่ยง mm. นะเราดูให้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองเราไม่ได้ดูเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกเพราะดีมันก็ยังไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยง อย่างความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ดูเพื่อให้หายโกรธนะดูเพื่อให้เห็นเลยความโกรธมันมีเหตุมันเกิดมันหมดเหตุแล้วเรามีสติ ข, ขึ้นมาเราไม่ได้ไปตรึกในอารมณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมความโกรธก็ดับความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเกิดได้ก็ดับได้ความโกรธมีเหตุก็เกิดความโกรธหมดเหตุความโกรธ ก, ก็ดับดูไปดูไปไมันจะเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเห็นดับตัวมันก็ดับก็ท่านนไม่ใช่เราไปทําอะไรได้นะ ไปดูต่อไปใหฟังซีดีนะเราสังเกตใจจุดอ่อนของหนูคิดเดยอะไปนะวิเคราะห์หา เ, เหตุหาผล เ, ผเยอะไปนะให้รู้ทันใจของเรารู้ทันความรู้สึกไปนะรู้ทันแต่ไม่ต้องวิเคราะห์เนี่ยล่ะคะไ ม, ไม่ต้องอะไรนะหมายถึงว่ารู้ทันแต่ไม่ต้องวิเ<ม>คราะห์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกแค่รู้ว่ามั น, <c oughs> ม, นมีอยู่แค่รู้ว่ามันหายไปแค่นั้นคิดมากไป นะตัวนี้แหะที่กวางอยู่การคิดเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเห็นความจริงนะเพราะเราคิดเนี่ยเราคิดไปในกรอบของความรู้เก่าๆนะคิดไปในขอบเขตที่จํากัดนะส่วนธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงหรอกคนะาดไม่ถึงคิดไม่ถึงต้องไปรู้เอาต้องไปดูเอาเพราะนวิธีเรียนธรรมะเนี่ยไม่ได้เรียนด้วยการฟังด้วยการอ่าน เพราะสิ่งที่ฟังสิ่งที่อ่านนั้นเป็นปัญญาของคนอื่นไม่ได้เรียนด้วยการคิดเอาเองนะเพราะเราจะคิดตามใจกิเลสคิดเข้าข้างตัวเองนะคิดแบบมีอคติวิธีเรียนธรรมะที่ดีที่สุดก็คือไปดูว่าของจริงมันเป็นยังไงของจริงก็คือกายนี่ยจริงๆมันเป็นงไงจิตใจนี้จริงๆมันเป็นยังไงอย่างมันโกรธขึ้นมาเราก็จะดูเราก็เห็นนะเนี่ยพอเราไปคิดเรื่องนี้นะเราไปเห็นคนนี้ตามองเห็นรูปใช่ไหมอย่างเช่นเราเห็นคนหนึงเดินมา ถ้ายังไม่ทันคิดนี่ใจมัยังไม่โกรธนะถ้าพอไปเห็นคนนี้ปุ๊บใจมันก็นึกขึ้นได้คนนี้ไม่ดีทําร้ายเราไว้นะใจก็จะปรุงความโกรธต่อได้อีกมันมาจากการคิดเอานะฉนั้นทัวอย่างนะั้นมีเหตุในขณะที่ความโกรธเกิดเนี่ยแล้วเราเกิดมารู้ทันจิตที่กําลังโกรธในขณะนั้นเราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่เขาไม่ดีเวลาเราขับรถอยู่แล้วคนปาดหน้าใครเคยเป็นไหมขับรถอยู่แล้วคนปาดหน้าแล้วโกรธ สังเกตไหมก่อนจะโกรธเนี่ยไม่ใช่โกรธตอนที่เห็นเขาปาดนึกไหมไปดูให้ดีนะจะต้องคิดนิดนึงก่อนแล้วถึงจะโกรธนะม่โกรธตามหลังความคิดมาเองนะงั้นเราห้ามมันไม่ได้นะแต่เรารู้ทันมันจะขาดไปเองในขณะที่เรารู้ว่าโกรธเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องเขาไม่ดีนะในขณะนั้นความโกรธไม่มีเหตุความโกรธยังไงก็ต้องดับ ก็เลยหนูก็เลยลองใช้วิธีคือเดิมหนูนั่งสมาธิเป็นพุทโธพุทโธอยู่ค่ะแล้วหนูก็เลยลองใช้วิธีพุทโธแต่ว่าก็ลองใช้วิธีที่อาจารย์สอนในซีดีว่าว่าให้ลองดูจิตว่าจิตมันไหลไปเมื่อไหร่นั่นแหละดีที่สุดเลยนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนพุทโธแล้วไม่ใช่สอนเป็นนกแก้วนกขุนทองนะไม่ใช่ท่องพุทโธพุทโธแล้วจะไปบรรลุอะไรได้นะท่านสอนละเอียด<ม>นะดนะว่าพุทโธ จ, จริงๆคืออะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกพานก็คือจิตเรานี่เอง งั้นพุโทโธแล้วให้คอยรู้ทันจิตไว้พุโทโธพุโทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านมันจะสงบของมันเองอะ่ะพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบพุโทโธไปมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะพุโทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้ไปนะไปทําต่อไปไอ้หนูคนแรกอะ่ะภาวนานได้ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าไปปล่อยให้อารมณ์มันครอบจิตได้ให้รู้ทันอย่าไปยอมแพ้มันไม่สวมวิญ ญ, ญาณนางเอกไม่ได้นะ นางเอกจะชอบทำละท้อละทวยหน่อยๆ อ, อะไรงี้นน ะ, ะ, ะการดําเนินการครับคือปรากฏการณ์ของผมตอนนี้ก็คือเวลานอนจิตมันจะทํางานมันจะฝันเรื่องเดียวซ้ําๆทั้งคืน อ, อืพอก็คือจะรู้สึกตัวลื่เรื่อยอทั้งคืนมันเหมือนกับว่านอนเหมือนกับเราไม่ได้นอนอืพอเช้ามาจะรู้สึกง่วง พอพอง่วงแล้วก็มันจะไปเสียงานคือผมผมจะต้องไปทํารูปแบบคือไปทําสมาธิก่อนมันถึงจะมีกําลังจิตถึงจะมีกําลังเข้ไปทําสินะตอนนอนนะมันทําไม่ได้แล้วก็ทําตอนตื่นนะทำสมาธิไปอะไ ร, รไปรนะแล้วเรามีอีกปรากฏการหนึ่งก็คือว่าตอนนี้บางครั้งถ้าถ้าตัวตัวรู้มันเกิดขึ้นในขณะลืมตาจะเห็นว่า เหตจะเห็นความฝันในขณ ะ, ะนะลืมตาอื น, นี่นี่รู้ถูกใช่ไหมครับถูกไอ้ความฝันนะ่ก็คือความคิดตอนที่หลับอะความคิดนะ่คือความฝันตอนที่ตื่นอนะถ้าเราคอยมีสติอยู่นะหัดใหม่ๆบางทีเราไปกังวลใจว่าเรานอนไม่หลับความจริงร่างกายหลับนะแต่จิตใจมันไม่หลับจิตใจนะัมันลงพวังไปเพืาอมันหลับนั่นแหละแต่มันจะลงผวังไปสั้นๆหรอก ไม่นํานมันจะขึ้นมาร่างกายเนี่ยต้องการนอนมากกว่าจิตนะร่างกายจะนอนหลายชั่วโมงเลยแต่จิตนจะลงไปพักแป๊บเดียวพอพักพอแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาคิดแล้ะนี้ถ้าเราหมกมุ่นครุ่นคิดหรือผูกพันอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยร่างกายหลับอยู่นะจิตไปพักพอสมควรแล้วจิตก็ดีดตัวขึ้นมามันเห็นร่างกายนอนอยู่นะหรือจิตมันจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรไปต่อไปถ้ามันเกิดอย่างนั้นเนี้ยมารู้สึกที่ร่างกายเลยก็ได้ นะเห็นร่างกายมันนอนหรือถ้าต้องการาพกักจริงๆนะจับเข้ากับแสงสว่างนะจับนอนลงไปแล้วก็เหมือนเราอยู่กับความสว่างว่างไปเลยอันนั้นจะได้สมาธิได้พักผ่อนไม่อั่าใจจะคิดสเป ส, สปาไปทั้งคืนเราเลยรู้สึกว่าไม่ได้นอนตื่นเช้าเลยสโลสเล่ความจริงร่างกายนอนนะถ้าผมทําตามรูปแบบเนี่เวลากายมันหายไปเนี่ย จิตมันมันกลัวตายมันจ ะ, จะต้องหาร่างกายเนี่ยจะ ต, ต้องตามรู้ยังไงเดีครับให้รู้ทันว่าจิตมันกลัวการที่ครูบาอาจารย์สายอย่างสายวัดป่านะท่านพุโทโธหรือท่านหายใจนะแล้วก็พิจารณากายนะจนร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวตรงนี้มันเป็นอุบายในการที่เรียกว่าหัดแยกธาตุแยกขันนะนะพอร่างกายหายไปเหลือแต่จิตันเดียวพอร่างกายปรากฏเนี่ย จิตมันจะรู้สึกชัดเจนเลยว่าร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันนะนี่เราค่อยๆฝึกมันจะแยกออกไปร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตก็ส่วนจิตนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปไม่เห็นในร่างกายก็ไม่ใช่เรานั้นะสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ยังประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมีความสุขบ้างความทุกข์บ้างมีกุศลบ้างอกุศลบ้างทั้งหมดไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเห็นปรากฏการความอยากของผมคือมันเหมือนดอกไม้ที่บาน พอพอพอเห็นไว้เราเราเผลอไปอืมว่าเมื่อกี้มันเผลอไปพอพอสติตัวแท้จริงมันเกิดขึ้นปุ๊บไอ้ดอกไม้มันหก <c oughs> ลงไปกลางนี่แสดงผมรู้ถูกนะครับถูกถูกมันเกิดอย่างนั้นแหละมันเล่นทีเผลอผมผมขอการบ้านครับอย่าใจร้อนนะภาวนาสบายใจดูไปเรื่อยๆที่ส่งกันบ้านมาแต่ละคนแต่ละคนนะั้นดีครับเท่านั้นเลยนะ แยกขันได้เห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานนะภาวนากันมาได้ใช้ได้แล้วคนนี้ก็ดีเก่งทางนี้ก็ดีนะไปทําต่อการหลวงพ่อค่ะตอนนี้หนูเพิ่งเริ่มพึกปฏิบัติดูลมหายใจอืแล้วก็ต่อไปทําอย่างนี้นะเวลาเรารู้ลมหายใจนี่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิต น, นี้ไปคิดรู้ทัน ถ้าฝึกให้ได้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ก้าวหน้าได้หนูลองเคยปฏิบัติมารู้รู้โกรธรู้จิตอะไรย่งนี้ค่ะพอโกรธปุ๊บเมื่อก่อ น, นจะแบบจะระเบิดอันนี้โกรธปุ๊บมันเหมือนว่ามันจะดับไปเร็วค่ะใช่สิทันทีที่สติเกิดนะอกุศลต้องดับแต่ว่าความรู้สึกหดหูมันจะดับยากค่ะดับมันต้องดับหมดเละ โอทูก็เป็นโทสะจะมันนานจังค่ะเพราะว่าเราไม่เป็นกลางเราเกลียดมันอะไรที่เราเกลียดนะจะรู้สึกว่านานเสมออะไรที่ชอบไม่รู้สึกเหมือ น, น้อยไปหน่อยแล้วหนูต้องปฏิบัติแบบไหนเพิ่มบ้างคะดูไปด้ยน ะ, ะสังเกตที่ใจไม่เป็นกลางนะรู้ทันตัวนี้รู้ขอบกันบ้านด้วยนี่ไงให้ละ ให้ฝึกใจให้เป็นกลางไม่ใช่ฝึกใจให้เป็นกลางเห็นไหมจำผิดแล้วให้รู้ทันใจที่มันไม่กลางมันไม่กลอย่างความหดหูเกิดขึ้นเนี่ยไม่ชอบมันเนี่ยให้รู้ว่ามันไม่ชอบนะไม่ใช่ดูแต่ความหดหูนะแล้วดูเข้ามาให้ถึงใจเลยใจเราไม่ชอบเนี่ยรู้ทันเท้าถึงความชอบความไม่ชอบของเราแล้วรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นกลาวนามัติการหลวงพ่อครับคือผมอยากจะถามหลวงพ่อคือผมเชื่อว่า คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวรรค์นรกบาปบุญคุณโทนมีจริงหมดอืแต่ผมอยากจะปฏิบัติให้ได้โสดาบันเพื่อให้ตัวเองปลอดพ้นจากอบัยญูพูบสี่ครับอื ม, แ ล, มแล้วก็เคยฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าพระโสดาบันจะต้องไม่เห็นกายเป็นตัวเราผมไม่เข้าใจว่าพระโสดาบันไม่เห็นกายเป็นตัวเราหมายความว่าอย่างไรครับรู้สึกไ้มว่าในนี้มีเราคนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เราคนนี้ก็เราคนเด็กตอนเด็กๆ ก, ก็คนเดิมใช่ไหมอันนี้เพราะเรายังแยกแยกไม่เป็นเราต้องหัดแยกธาตุแยกขันไปนะรู้จักชื่อหลวงตามหาบัวไหมรู้จักครับออหลวงตามหาบัวพูดถึงขนาด น, นี้เลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าทําเจริญปัญญาอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นต้องหัดแยกก่อนสังเกตไหมร่างกายมันพยักหน้าร่างกายมันถือไมโครโฟนแล้วใจเราเป็นคนดูค่อยๆหัดทีนี้ก่อน ต่อไปมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็ดูไปร่างกายกับความสุขความทุกข์ก็คนละอนกันนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็ดูความสุขความทุกข์กับจิตใจมันคนละอันกันนะกิเลสเกิดขึ้นในใจเราก็ดูอีกแล้วก็เห็นว่ากิเลสกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันนี่หัดแยกอย่างนี้ก่อนนะถ้าแยกไม่ได้เราก็ไปเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริงต้องแยกให้ได้ก่อนพอแยกได้แล้วเรียกว่านํารูปปริเฉทญาณแยก รูปแยกนามสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกออกเป็นส่วนๆพอแยกออกเป็นส่วนๆได้แล้วจะเพราะว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราแล้วนะถ้าใจยอมรับตัวนี้ได้ก็เป็นพระโสดา บ, บันครับแล้วก็ตอนผมปฏิบัติที่ในรูปแบบอะครับเวลาผมนั่งสมาธิผมก็จะดูเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือว่าพอหลับตาจิต ด, ดูที่ลมผมก็ดูที่ลมบางทีก็มีความรู้สึกเคลื่อนไปรู้สึกที่มืออืบางทีก็มารู้สึก ใจลอยบางครั้งก็กลับมาดูที่ลมอีกแล้วบางทีก็สงบดูอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมครับใช่ดูไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นนอกรูปแบบบางทีมันจะไม่มีกําลังดูเลยครับอยู่แบบกระโลกอย่างเงี้ยครับไม่ไงใจเรามันอินนะมันฟุ้งไปนะเพราะฉะนั้นต้องซ้อมหน่อยรูปแบบให้เยอะหน่อยครับค่อยๆหัดนะพวกเรามันไม่ยากหรอเนื้อที่ฟังเขารายงานการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังตังเกียร์ไหมเขาพูดเรื่อง เขากายกับใจเขาแยกกันอะไรเงี้ยนะเพราะเราฝึกไม่นานก็เป็นหรอกค่อยๆหัดไปรู้ทันเวลาใจมันไหลวิคิดรู้ทันบ่อยๆนะแต่ไปใจมันจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วดูไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นของถูกดูนะใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์ก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นของถูกดูใจเป็นคนดูนันก็จะค่อยๆแยกออกมาถ้าเราแยกได้นะกระทั่งยังไม่ทันจะได้มรรคได้ผลยังมีปรากฏการณ์ประหลาดๆเยอะเลยนะ ลูกเศษหลวงพ่อนะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะใจร้อนนะเพราะใจร้อนขับรถพลิกคว่าหงายอะไรนี่อุตรุดเลยแต่ยังไม่มีใครตายนะเราก็ไม่ค่อยเจ็บด้วยเพราว่าอะไรเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนั้นะจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้สึกตัวขึ้นมานะมันเห็นร่างกายเนี่ยพลิกไปเรื่อยๆนะจิตมันเป็นคนดูอยู่หัวกําลังจะโขกทางนี้แล้วก็หลบซะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยเป็นไรหรอกนึกว่าหลวงพ่อเฮียนไม่ใช่เฮียนหรอกนะอาศัยสตินะั่นแหละ เราฝึกพยายามฝึกนะ้าต่อไปกายกับใจมันโคโรอ่านกันพอฝึกตัวนี้ได้นะยังไม่ทันจะได้โสดาเลยเวลาหมอเขาจะฉีดยาเนาะเขาฉีดกายใช่ไหมใจเราไม่เกี่ยวไม่ใช่ใจสยองนะมันมันแยกได้ค่อยๆฝึกนะ้าอัศจรรย์นี่ขนาดเอาไว้ใช้ทางโลกนะถ้าฝึกจนถึงขั้นที่จิตมันเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วลใครมันทุกขนะ์อ่ะ กายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะขั้นต้นปัญญาขั้นต้นมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจ น, นี้ไม่ใช่ตัวเราขั้นปลายมันจะเห็นว่าสิ่งที่ว่าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรไมันเป็นตัวทุกข์ถ้าแจ้งตัวนี้ได้ก็จะสลัดตัวนี้ทิ้งหัดใหม่ๆนี่เราจะเห็นจิตที่สลัดอารมณ์ทิ้งนะหัดมากๆต่อไปจะเห็นจิตสลัดร่างกายทิ้งจิตสลัดจิตทิ้งแปลกมากเลยตัวเนี้ย บางคนบอกว่าไม่เห็นยากเลยฉีดออกจากร่างเดี๋ยวรถทับตายนะจิตที่ออกจากร่างอันนั้นไม่ใช่นะไม่ต้องตายหรอกกลนานมัศาการหลวงพ่อค่ะเมื่อสักครู่ที่ฟังหลวงพ่อบรรยายนะคะก็เข้าใจบ้างและเหมือนไม่เข้าใจบ้างอตอนที่หลวงพ่อบอกว่าทุกคนเผอใจเผอใจเผอกายเผอใจกันทั้งนั้นเลย แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าลองมองดูที่พระพุทธรูปสิท่านนั่งท่าอะไรแล้วก็มีเสียงพญานาเท่าไหร่หในระหว่างนั้นดิฉันรู้สึกง่วงมากมพอมองไปที่พระพุทธรูปก็ยังไม่รู้สึกหายง่วงหลวงพ่อบอกพอรู้สึกตัวจะหายจากสิ่งที่รู้สึกก็ยังง่วงอยู่ค่ะเรื่องง่วงไม่ใช่เรื่องกิเลส น, นะพ <c oughs> ระอรหันต์ก็ง่วงนอนเหมือนกันนะ <c oughs> หิวข้าวอย่างเงี้ยง่วงเงี้ยเป็นเรื่องทางร่างกายนะไม่ใช่กิเลส น, นะหิวข้าวต้องกินข้าวตะกละไม่ต้องกินง่วงต้องนอนขี้เกียจไม่ต้องนอนคนละอานกันนะ <c oughs> ไปฟังซีดีให้เยอะๆไปให้กันบ้าน <c oughs> อยังงงอยูนะ่ไปฟังนะแล้วไม่นานอะไรจะเป็นแบบที่เขาส่งกันบ้านได้อนะาจะเพราะว่ามันอัศจรรย์มากเลยนะ <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก็อยากจะส่งการบ้านหลวงพ่อฟังซีดีและเคยไปที่สวนสันติธรรมมาประมาณ3ามปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนั้นโยมรู้สึกว่าโยมยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอฟังธรรมก็รู้สึกเข้าใจขึ้นแล้วก็ฟังหลวงพ่อตลอด อ, อยากจะถามว่าที่โยมปฏิบัติอยู่เนี่ยโยมทําถูกต้องยังไงอยากให้หลวงพ่อชี้แนะค่ะเราถูกไม่ถูกเราวัดที่ตัวเราเอง อย่างเวลาเราจะทําผิดศีลเนี่ยเรารู้สึกยับยั้งใจได้มากขึ้นไหมเพราะถ้าอย่างนี้ก็ทําดีขึ้นนะศีลเราดีขึ้นจิตใจเราเตลิดเปิดเปิงแล้วเรารู้บ่อยไหมก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธพอพุทโธแล้วถ้าใจหนีไปเรารู้ได้นะก็ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วโยมรู้สึกว่าโยมจิตใจโยมเปลี่ยนไหมคะเพราะโยมอะไรที่เกิดขึ้นโยมจะเจริญเมตตาเมตตานะอภัยเิดเจริญให้มากเลยนะ เพราะเราดุจริงๆค่ะแต่โยมเป็นคนดุดุมากค่ะเอาเรื่องเลยแต่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้ก็มาดูโอ้โหหน้ารังเกียจค่ะโยมคิดว่ามันเป็นมันไม่ดีเลยดีดีมากนะที่เราเห็นจุดไม่ดีของตนเองนี่ดีมากเลยค่ะแล้วโยมก็อ่าคิดว่าสร้างฐานบารมีเนี่ยคิดว่ายอมยมจะพยายามทําให้ดีที่สุด คือโยมนนี้โยมตั้งใจเลยก่อนหน้านี้ไม่คิดจะส่งการบ้านเพราะไม่กล้าถา ม, มแต่วันนี้โยมก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่โยมอยากจะถามว่าอยากให้หลวงพ่อให้การบ้านโยมบ้างว่าโยมจะต้องไปทําอะไรยังไงบ้างเราคอยวัดใจของเราเรื่อยน ะ, ะใจดีก็รู้ใจร้ายก็รู้น ะ, ะค่อยรู้ทันบ่อยๆต่อไปผู้ร้ายมันจะค่อยๆตายไปก็โยมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันสุขมันก็ไม่สุขมากเหมือนแต่ก่อนแล้วโมโหมนในโลกเลยในโลกความสุขมันเป็นภาพลวงตา ส่วนความโมโห น, นะก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนลมพัดเท่านั้นแต่เพียงแต่ย<ม>อย่าไปพัดคนอื่นเขาก็แล้วโยมแรงถึงก็เคยจะจับตำรวจนะคะตำรวจจะจับโยมนะคะโยม <c oughs> โอ้เอาเรื่องเขาขนาดนั้นพอ ม, มองเห็นกลับไปหอูเรานี่น่าเกียดมากดีเคยรู้ไว้นะต่อไปอน่ารักมาก โยมก็ป่าเถนาอย่างนั้นแต่ก่อนไม่เคยคิดถึงมรรคผลนิพพานโยมกลัวการไม่ได้เกิดคิดว่าสนุกแต่เดี๋ยวนี้โยมคิดว่าไม่สนุกแล้วมันน่ากลัวอันตรายอันตรายแต่โยมก็ยังสวยงามอยู่นะคะเต็มที่เลยค่ะพโยมจะไปหาลูกค้าจําเป็นนะค่ะค่ะโยมเิดเราจะไปหาลูกค้านุ่งผ้าถุงปากเขียวอือไใครเขาจะซื้อของเราไ่ม ค่ะโยมก็คิดว่าอย่างนั้นโยมยังต้องอยู่กับโลกเงินยังเป็นเส้นเลือดใหญ่แต่โยมจะไม่ผิดศีลค่ะโยมตั้งใจอย่างนั้นได้อย่างนั้นก็วิเศษแล้วค่ะมาตรฐานขั้นต่ำของมนุษย์นะค่ะค่ะโยมคิดอย่างนั้นค่ะดีดโยมรู้สึกเป็นสุขเนี่ยค่ะรู้สึกว่าป่าปะ ป, ปื้มแล้วมีปิติมากโยมเกือบจะไม่ได้ส่งแล้วค่ะโยมไปอ้อนวอนพี่เขาข้างหลังเขาบอกว่าแค่12คนเท่านั้นแต่โยมวันนี้โยมตั้งมั่นมากเลยโยมจะมาส่งการบ้านหลวงพ่อที่โยมฝึกมาเนี่ยโยมขณะที่โยมน อะไรไม่ถูกใจโยมจะปัดด้วยพุทโธพุทโธกลับมาและโยมจะหายไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะออแล้วต่อไปจะไม่ได้พุทโธเพื่อให้อะไรหายเลยเแต่พุทโธแล้วจิตหายไปจะรู้ทันอค่ะเออสาธุสาธุค่ะขออากาศครับผมไม่ได้มาสมกันบ้านเพียงแต่ว่าขอเมตตาเจ้าหลวงพ่อ มาช่วยขยายความคำสอนของหลวงปู่ดูลได้ไหมครับเอาเรื่องอะไรนะเตรียมเอกาสารมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> อ่านทีเหรอพ่อไม่มีแว่นขออนุญาตอ่านบางส่วนครับเรื่องจิตและจั ก, กรวาลในความหมายของหลวงปู่ดูลออเอาสรุปเลยนะเรื่องนี้นะยังไม่ต้องเรียนอันนี้มันอยู่ท้ายเล่มของจิตคือพุทธะละ งันเริ่มต้นเนี่ยหัดรู้สึกตัวก่อนแลให้มียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะไอนั้นเดี๋ยวค่อยเรียนทีหลังเรียนข้ามขั้นไม่ได้นะไอ้นั้นมันขั้นมหาวิทยาลัยนั่นบอกว่าต้นเหตุให้เกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุให้เกิดพบและดวงดาวต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้เกิดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและการเวลาเนี่ย ยังไม่ต้องเรียนหรอกเนาะหลวงปูด่ดูลนะพระบรร น, นอกนะไม่ได้เรียนหนังสืออายุทั้ง90กว่ามิจฉาออ์สไตน์ได้อาศัยความรู้จากการภาวนาเนี่ยนะอัศจรรย์มากเลยมีวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับท่านท่านก็ถามหลวงพ่อว่าชี้ลงไปที่กระเบื้องท่านว่าไอ้เนี่ย วัตถุนี้มันเคลื่อนไหวได้ไหมเมืเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์สมัยเด็กๆใช่ไหมสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวสิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนบอกไม่เคลื่อนครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยท่านบอกไม่ใช่ในนี้นะมีอนุเล็กๆนะแล้วเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยความรู้ของท่านนะแต่ว่าความรู้อันนี้เป็นใบไม้นอกกํามือเราเรียนใบไม้ในกํามือก่อนใบไม้ในกํามือของพระพุทธเจ้ามี4ใบเท่านี้ หรือเรื่องอริยสัจสี่นะเรียนเรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยเรื่องนี้รอดเรื่องมรรคส่วนความรู้พวกนี้เอาไว้ที่หลังดอกนะเป็นของเล่นของแถมจบแล้หลวงพ่อคะหลวงพ่อคะคือเมื่อกี้ลืมที่จะขอาการบ้านเพิ่มเติมว่าต้องปฏิบัติด้านไหนเพิ่มเติมอ่ะก็ <c oughs> มีสติรู้สึกไปสินะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทุกวันทําในรูปแบบ ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก็เท่านั้นแหละกี่คนกี่คนก็เหมือนกันเลยนะค่ ะ, ะกราบนมัส ก, การค่ะอะคือในชันอยากขออุบายที่ทำมถูกแล้วแหลนะน้ต่อเป็นที่เราก็ทําอย่างที่ทํานี่แหละนะดูกายเขาทางานไปดูใจเขาทางานไปสังเกตไห้ว่ากายกับใจมันโคลนันดูออกมั้งไหมพอพอได้อยู่บ้าง<ล>ค่ะนะมันขันมันแยกได้ เมื่อขันมันแยกได้นะต่อไปก็ดูขนันแต่ละขันมันทำงานของมันมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างเห็นร่างกายมันหายใจของมันใจเราเป็นคนดูมันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเราเป็นคนดูมันมันไม่ใช่เราสักนะอันนี่คอยดูลงไปในกายในใจไม่มีอะไรเป็นเราหรอกนะเอย่างนี้แหละค่ะค่ะขอโอกาสเพิ่มเติ ม, ตมอีกนิดหนึ่งค่ะคือว่า อ, อยากจะขออุบายจาก พระอาจารย์ค่ะในส่วนที่ว่าจะแก้ความง่วงเหงาเขานอนค่ะกระดูกกะดิกไว้เคลื่อนไหวไหมนะค่ะทํางานไปทํางานบ้านทำอะไรไปนะแล้วเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานถ้านั่งภาวนาแล้วซึมไปนะก็ลุกขึ้นมาทํามาหากินทํางานอะไรไปแล้วก็ดูกายดูใจมันทํางานไปนั่นแหละการปฏิบัติละการปฏิบัติไม่ใช่ต้องไปเข้าถ้านั่งสมาธิเสมอไเลยนะ ที่ฝึกอยู่ก็พอใช้ได้นะสังเกตด้วแปลว่าใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันนมันสว่างมันกว้างขึ้น ค, ค, ค่อยดูไปกราขอบคุณคะ่ะรับผ่อนนะยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามวายโตทินนางเปตานังอุปกัะปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังชิประเมวาสมิจฉตุสัพเพปุรเรนโตสังกปาจันโทปันนารโสยถามณีโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายูโกภาวะอาภิวาทนาสีลิสนิตจังวุทธาปัจจายโน จตารโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังเครื่องปัจจัยไทยฐานนะหลวงพ่อขอมอบให้โรงพยาบาลนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาลนะช่วยคนยากคนจนไรก็เอาของเ่อถาวายพระไปก็ได้นะ